อาจารย์อุทัยที่เคารพแลวก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่มากันหลายที่หลายแห่งมาร่วมกันฟังธรรมะในวันนี้เราก็มาเจอกันที่จุดศูนย์กลางของชีวิตคือ ธรรมสถานบ้านโพทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ผมก็มาในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมมาทาหน้าที่เป็นผู้พูดญาติธรรมก็เป็นผู้ฝัง ก็ทั้งสองฝ่ายนะทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะก็ร่วมกันสร้างบุญให้กับตนเองผมมาผมก็มาทำบุญยาดิธรรมก็มาทำบุญผมทำบุญในฐานะที่ผู้พูดธรรมะยาดิธรรมก็เป็นผู้ฟังธรรมะนะได้บุญร่วมกัน บางทีเราอาจจะโชคดีนะจับมือกันไปนิพพานก็ได้การฟังธรรมเนี่ยทั่วเป็นประโยชน์มากฟังธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจเพราะฉะนั้น คนที่อยากจะได้ที่พึ่งทางด้านจิตใจเนะี่ยก็ต้องตั้งใจฟังหน่อยถ้าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยบุญมันไม่ตั้งนะบุญเนี่ยมันตั้งได้ตามใจของเราฟังแล้วเราสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ประโยชน์สูงสุดของการฟังธรรมก็คือสามารถทำให้เรา ลาออกจากความทุกข์ได้สนใจไหมต้องมีเหยื่อลาออกจากความทุกข์มาล่อซะก่อนแต่หลงติดเหยื่อได้นะหลงติดเหยื่อแล้วพ้นทุกข์นี่มันก็น่าติดนะมันไม่ใช่เหยื่อแบบเกีย่ยวไว้กับเบ็ดนะนี่เหยื่อเกีย่ยวไว้กับพระนิพพานใช่ <_ siis> ห้หเอราะวั ชีวิตเราเนี่ยจะว่าไปแล้วนะลองทบทวนดูสิตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยระหว่างความสะดวกสบายของชีวิตกับปัญหาของชีวิตเนี่ยอันไหนมันมากกว่าการในจิตใจเราอายุขนาดนี้แล้วเราพอจะสรุปผลได้ไหมปัญหามันมากหรือ ความสุขมันมากเนี่ยฟังธรรมะแล้วสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ในยามที่เราเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่รู้ว่าปัญหานั้นจะระเอิงเอ่ยด้วยแบบไหนทุกคนก็จะเกิดความพิต ก, กังวลใจมีความทุกข์านด้านจิตใจเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้น จะเป็นปัญหาอะไรก็ตามคือสิ่งที่เราไม่ปราถนาทางนั้นอ่ะเราก็จะมีแต่ความกังวลใจเป็นทุกข์ใจสิ่งที่เราต้องการที่สุดในยามที่ชีวิตมีปัญหาก็คือกำลังใจถูกต้องไหมกำลังใจกำลังใจอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนะอย่างน้อยทําให้ใจมีกําลังมันหน่อย แต่ว่าที่สำคัญคือที่พึ่งทางด้านจิตใจทั้งกำลังใจและที่พึ่งทางใจเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาชีวิตเราได้ปัญหาต่างๆจะถูกแก้ไขไปอย่างง่ายดายถ้าเรามีกำลังใจวิธีการแก้ปัญหาแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันนะ บางคนเนี่ยไม่ได้สดับตัดฟังธรรมะหรือฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจบางทีเป็นแสวงหาที่พึ่งที่ไม่ประเสรศิฐไปพึ่งอบายามุขดื่มสุราเล่นการพนันแล้วก็เที่ยวเตรเพื่อให้ลืมปัญหา อันนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเป็นวิธีการกลบปัญหากลบเกลื่อนขณะเสพอใบยมุกอยู่เนี่ยเรารู้สึกเพลิดเพลินลืมปัญหาไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอเสพเสร็จแล้วเนี่ยสังเกต ด, ดูสิมันจะสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าเก่าด้วยซ้ำไป <c oughs> <c oughs> นะบางคนก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นพวกวัตถุคิดว่าแก้ปัญหาเราได้พึ่งหมอดูผู้วิเศษจะมาตัดกรรมแก้กรรมให้กับเราแล้วก็พึ่งไสยศาสตร์เนี่ยสิ่ ง, งเหล่านี้มันไม่ใช่ที่พึ่งอารบําเพ็ญหรอกโดยเฉพาะไสยศาสตร์เนี่ยหมายถึงศาสตร์ที่ยังหลับไหลอ ย, อยู่ไสยศาสตร์เนี่ย ทำให้เรามีกําลังใจเท่านั้นเองม่เป็นเรื่องของสมมติให้เราพึ่งแต่สิ่งภายนอกพึ่งแต่ผู้อื่นมันก็แก้ปัญหาได้ไม่ที่สุดสบายไปช่วงขนาดหนึ่งได้กําลังใจแต่ที่พึ่งที่ประเสริฐก็คือพุทธศาสตร์โดยเฉพาะธรรมะใครมีธรรมะเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ประเสริฐ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงถ้าเราสามารถพึ่งตนเองได้มันจะแก้ปัญหาได้อย่างไม่กลับมาเกิดอีกหมดปัญหาศาสนาพุทธหรือธรรมะเนี่ยสอนให้พึ่งตัวเองและสอนเรื่องสัจธรรมด้วยเป็นของจริงการพึ่งพุทธศาสนาพึ่งพระธรรม ที่เริ่มต้นจากการฟังนี่แหละแล้วก็เอาไปแก้ปัญหาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบเลยนอกจากจะเอาชนะปัญหาได้แล้วชีวิตก็ยังมีความสุขคนปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะชีวิตจะมีความสุขปัญหากลายเป็นเรื่องเล็กคนไม่สนใจธรรมะ ชีวิตมักจะมีความทุกข์คนที่มีความสุขสังเกตดูได้จะมีชีวิตชีวาคนที่มีความทุกข์ไม่มีชีวิตชีวาคนมีชีวิตชีวาเนี่ยจะ ก, กระตือรือร้นนะกระตือรือร้นทำอะไรก็สนุกมีความสุขไปซหมดเลยไม่ซึมแต่คนมีความทุกข์เนี่ย ทำอะไรก็แบบจำใจทําไม่ค่อยเต็มใจทําอาจจะทําได้สําเร็จทําได้เรียบร้อยแต่ว่าชีวิตทางด้านจิตใจเนี่ยมันยังไม่ผ่อนคลายใช่ไหมเราเคยไหมทําสิ่งที่ได้สําเร็จแล้วแต่ใจเรามันทาไมถึงเครียดๆก็เรียกชีวิตไม่มีชีวาคนมีความสุขชีวิตจะมีชีวาบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะ คนมีความสุขชีวิตจะมีชีวาคนมีความทุกข์ชีวิตจะมีชีว า, ว า, ววารู้จักไหมชีวาดเนี่ยคืออะไรไม่ได้มาขายชีวาดนะถ้าเราคนมีความทุกข์ก็ต้องอาศัยอย่างนั้นทีนี้ว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวเราใกล้กับวัตถุทีลนะเราจะทําอย่างไรที่จะนําเอาธรรมะ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตเ น, นี่ยมีสิทธิทำได้ทุกคนจะนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรกันก็ดนนี๋เราต้องรู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะท่านตรัสรู้ที่ไหน พระุสเจ้าตัดสรล้ธรรมะที่ไหนใครตอบได้ให้ไปนิพพานนะตอบไหมแต่ผมจะเฉลือดผมไปคนเดียวนะใครว่าอินเดียถามต่อไปก็ไม่มีใครยกมือธรรมะที่ผู้เจ้าตัดสรู้เนี่ย ก็อยู่ที่กายที่จิตของพระองค์ท่านเองท่านเอากายมานั่งเอาใจมารู้ก็เท่านั้นเองเห็นไหมท่านเอากายมานั่งเอาใจมารู้ก็ตัดสู้ทำได้จากในตัวท่านเพราะนั้นธรรมะอย่ามองไกลอย่ามองไปนอกตัวก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยคือเรื่องของกายเรื่องของจิต กายจิตที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้คือก้อนธรรมเป็นก้อนธรรมก้อนทุกข์เขาจะบอกว่าใครเห็นทุกข์ก็เท่ากับเห็นธรรมใช่ไหมเนี่ยคือก้อนธรรมก้อนทุกข์คือกายกับจิตเนี่ ย, ยสภาพของการงจิตเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกันทุกคนเป็นสัจธรรมก็คือ มีความไม่เที่ยงแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เด็กมาจนอายุป่านนี้เราแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปหลายอยา่างหลายด้านนี่เฉพาะส่วนร่างกายนะแล้วมันไม่มีสุขอะร่างกายมันมีแต่ทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้เลย เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยทั้งนั้นะชีวิตเนี่ยไม่มีใครจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างคําฟ้าหรอกมันก็ต้องแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แตกทําลายไปในที่สุดเนี่ยอาศัยทั่วครานะส่วนของร่างกาเยเพราะนั้นถ้าใครจะเข้าถึงธรรมเนี่ยก็เข้าถึงตัวเองอะเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิต เข้าถึงตัวเองหรือว่าเข้าถึงธรรมไม่ไกลนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าถึงธรรมไปถึงที่อินเดียหรือมาถึงที่วัดหรือที่ปฏิบัติรามไหนๆอันนั้นยังไม่ถูกต้องเข้าถึงธรรมคือเท่าถึงตัวเองรู้และเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตอย่างชัดเจนเรียกว่าเข้าถึงธรรม เพรางการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เริ่มต้นจากตัวเรานับหนึ่งที่ตัวเราถ้าเราทำกายจิตใจให้เป็นปกติเราจะเกิดปัญหาน้อยมากปัญหาจะน้อยถ้าเรารักษากายจิตให้เป็นปกติ ปกติของกายคืออะไรปรกติของกายคืออะไรก็คือถึงเวลากินก็กินให้เข้าถึงเวลานอนก็ต้องนอนให้หลับถึงเวลาขับก็ต้องขับให้ออกเวลากินกินให้เข้าคือทานข้าวให้ได้ถึงเวลานอนก็ต้องนอนให้หลับ ถึงเวลาขับขับถายคือต้องขับถายให้ออกเห็นไหมเวลาคนกินไม่ค่อยเข้าเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเวลานอนนอนไม่ค่อยหลับมีแต่เรื่องราวมาคุ้นคิดคิดจนตีสองแล้วยังไม่หลับเลยมันก็เดือดร้อนอ่ะสุขภาพร่างกายไม่ดีถึงเวลาขับทายท้องผูกนะแสดงว่า ร่างกายไม่ปกติอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทางกายก่อนนะเหรือจะบอกการทําทางจิตนะคนที่กินอิ่มนอนหลับขับสะดวกเนโอ๊ชีวิตมีความสุขแล้วพื้นฐานแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอย่าไปเอาอะไรมากมายกินอิ่มนอนหลับขับให้ออกเนี่ยมีความสุขขั้นพื้นฐานด้านร่างกายเนะนี่ยคือกลายเป็นปกติ และปลกติของกายมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไม่เบียดเบียนใครเดือดร้อนนะไม่ไปเบียดเบียนใครไปฆ่าใครไปลักขโมยใครไปล่วงเกินสิทธิสามีภรรยาคนอื่นนะการไม่พูดโกหกการไม่ดื่มสุราเนี่ยคือปกติของกาย เราเกิดมาเนี่ยนั่นแหละคือเราเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบปกติแล้วตอนเราเป็นทาโรกเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้ถืออาวุธควงออกมาจากท้องแม่ไ <assist> ม่มีอาวุธไม่ต้องใช้เพราะเราไม่ได้มาเบียดเบียนใครเราไม่ได้พูดโกหไม่รักขโมยใครเราไม่ได้มือขวาถือแก้วมือซ้ายถือขวดออกมาเนี่ย <un ira Total> ถ้าเรามีศีลห้านะร่างกายเราชีวิตทางด้าร่างกายก็เป็นปกติวาจาก็เป็นปกติแค่นี้ก็น่าเคารพกราบไหว้แล้ว <c oughs> แค่ศีลห้าอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทางกายคือรักษาร่างกายให้เป็นปกติอันนี้วิธีการรักษาจิตให้ปกติเป็นการปฏิบัติธรรมทางจิต ความเป็นปกติของจิตเนี่ยมันเป็นบ้านของจิตที่แท้จริงจิตที่จะปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขต้องจิตเป็นปกติเวลามีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจนิ่งเป็นปกติได้ไม่ฟูไปตามอารมณ์ไม่แฟบไปตามความคิด <c oughs> ฟูคือดีใจแฟบคือเสียใจ จิตที่ฟูฟูฟบแฟบคือคือลงลงเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยไหดีใจมากๆเหนื่อยไหหัวลอกมาหยุดทั้งวันก็เชิญไปโรงพยาบาลโรคประสาทเหมือนกันร้องไห้ทั้งวันใกล้ใกล้วัดประตีละใกล้เมน น, ะ น, ะนี่จิตไม่ปกติเสียสุขภาพจิต <c oughs> เวลาเราป่วยไข้ ก็ไปหาหมอหายาทานหาหมอรักษาซะเพื่อให้กายให้จิตเป็นปกติแต่อีกอย่างหนึง่งที่เราทำจิตได้ไม่ปกตินี่ก็เพราะว่าเวลากายมันป่วยไขย้ใจเราเป็นอย่างไรใจเราก็เป็นทุกข์ร่างกายมีปัญหาแต่ใจมีความทุกข์อันนี้ไม่ปกติทั้งกายและไม่ปกติทั้งจิตแล้วจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไร การไม่ได้่าทาทางจิตเนี่ยต้องรักษาจิตให้เป็นปกติเอาไว้รับรู้รับทราบและเป็นปกติเพราะว่าความป่วยไข้เป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของจิตบางคนจิตป่วยก่อนกาย <c oughs> ความป่วยไข้ต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องของร่างกายใจ เป็นเพียงแค่ผู้ที่รับรู้รับทราบเอาไว้ไม่ต้องไปป่วยกับกายก็ได้เพราะกายคือส่วนกายจิตคือส่วนจิตมันไม่เกี่ยวกันแต่อาศัยกันอยู่เห็นไหมกายป่วยใจไม่ป่วยก็ได้กายเป็นทุกข์ใจไม่ทุกข์ก็ได้ความป่วยกายเป็นเรื่องของร่างกายความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจมันต้องแยกกันให้ออกนะ เงเนี่ย <Yeah>. yeah. มันถึงจะรักษาจิตที่เป็นปกติได้ก็พาร่างกายไปหาหมอสิจิตที่ปกติดีก็พาร่างกายไปหาหมอรักษาซะรักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรต้องทำใจเป็นปกติด้วยนะโรคบางอย่างหมอรักษาไม่หายก็ต้องทำใจต้องยอมรับต้องเข้าใจ yeah. Yeah. ต้องแยกกัน้ได้อย่าสับสน คือเราสร้างเหตุเวลาป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็หนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้นะสร้างเหตุให้ดีคือรักษาร่างกายทำให้เหตุให้ถูกต้องจะรักษาจะเยียวยาจะออกกําลังกายจะพักผ่อนทําให้ดีที่สุดเลย <S <S 1> <S 1> แต่ใจเนี่ยต้องยอมรับในผลนะผลออกมาเป็นยังไงต้องโอ้ยอมรับเพราะเราทําดีที่สุดแล้วใจต้องยอมรับใจที่ยอมรับได้เนี่ย มันไม่ทุกข์หรอกไอ้ที่ยอมรับไม่ได้เนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เอ๊ะทำไมมันน่าจะหายเนีายทำไมมันไม่หายสักที <c oughs> ก็มันไม่หายอะ่ะเราต่อต้านมันทำไมไม่หายอยากหายไม่ไม่หายรู้สึกมีการต่อต้านเห็น ไ, ไหมมีการต่อต้านเนี่ยมันเราเข็นคลกขึ้นภูเขาอะ่ะมันหนักนะ <c oughs> แต่เรายอมรับเอ้ธรรมดา ความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไข้ไปได้ทํใจยอมรับจิตเหมือนเข็นคลกลงภูเขาเข็นขั้งเดียวมันลงถึงเชิงเขาเลยมันเบาจิตใจเราจะผ่อนคลายมากทำเหตุให้ดีแล้วก็ยอมรับในผลรับรองจะทำอะไรก็ไม่ทุกข์ <c oughs> ทำงานให้ดีผลออกมาจะเป็นยังไงไม่ได้สองขั้นไม่ได้เงินเดือนไม่ได้คําชื่นชม ฟรเลยไม่เป็นไรเลยเพราะทําเหตุดีแล้วคนที่เป็นทุกข์เพราะว่าสร้างเหตุดีแต่ว่าต้องการในผลอยากก็ได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ผลเราควบคุมไม่ได้หรอกแต่เหตุเราสร้างได้จําเคล็ดลับตรงนี้ไว้เนี่ยรับรองใจไม่ทุกข์เนี่ย <c oughs> นะใจที่ไม่ปกติไม่สดชื่นมีแต่ความเศร้าหมองเนี่ย มันเกิดจากอะไรเหตุใกล้ที่สุดก็คือเกิดจากความคิดอะความคิดทำให้จิตเศร้าหมองได้เห็นไหมเวลาเรามีความทุกข์สังเกตดูไม่มาที่ไหนไม่ไกลก็ที่เดียวที่ตัวเราที่ความคิดที่มันปรุงแต่งจิตความคิด พาความทุกข์มาสู่จิตใจพอเราเกิดความคิดขึ้นมาบางทีเราเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความเครียดก็เพราะความคิดปรุงแต่งนั่นแหละถ้าจิตไม่คิดนี่มันไม่เครียดนะจิตไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์นะแต่เราไปตั้งใจคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมา สร้างความทุกข์ให้มันทวงจิตทวงใจเราเนี่ยเพราะความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอเคยเห็นไหมความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยดูจิตเลยนะ <c oughs> ความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดคือเราไม่อยากคิดมันก็ต้องคิดเห็นไหม เราไม่อยากคิดแต่จิตมันจะคิดดูที่ก่อนจะนอนอ่ะโอ้เราจะหลับสบายแล้วแต่จิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากคิดไหมเราอยากคิดหรือเราอยากนอนเราอยากจะนอนแต่มันจะคิดเนี่ยอันนี้คือความคิดที่ไม่ตั้งใจครับแล้วก็ในหนันจะคิดแล้วให้มันคิดแต่สิ่งดีๆคิดแล้วมีความสุขมันก็ไม่เชื่อเรามันก็คิดที่ไล่มองโลกในแง่ลายทุกที และที่สำคันก็คือเรายิ่งไปห้ามความคิดเพรมันก็ยิ่งเครียดใหญ่เลยไปห้ามความคิดความคิดเป็นปัญหาพอคิดทีไรเราก็ยึดมั่นถือมั่นโอ้ว่าเราคิดไปยึดมั่นถือมั่นความคิดจิตมันก็เครียดหนักขึ้นอีกนะเริ่มจากความคิดแล้วก็ไปยึดติดว่าความคิดเป็นเราคิดมันก็เครียดแล้วคนสมัยนี้นะ ส่วนมากเนี่ยจะแก้ปัญหาความคิดที่มันฟุ้งซ่านด้วยความคิดถูกไหมพยายามไปกดทับมันทําไมมันทำไมไม่คิดนองโลกในแง่บวกมันไม่คิดดีๆเอาความคิดไปแก้ปัญหาความคิดมันก็คิดกันทั้งคืนจนสว่างแล้วยังเอาชนะไม่ได้ก็เครียดเลยโอ้เครียดตั้งกายเครียดตั้งใจเลยนะเนี่ยอันตรายนะ่้ความคิดเนี่ยพาความเครียดมาสู่ใจถึแล้ว นี่เรื่องของจิตใจความคิดพาความเครียดมาสู่ใจและความเครียดอะความเครียดพาโรคมะเร็งมาสู่ร่างกายพวกคนส่วนมากในนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะสาเหตุเกิดจากความเครียดเป็นสิ่งสำคัญมากคนไม่เครียดมะเร็งไม่กวน <c oughs> พอเวลาจิตมันเครียรขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมอาจจะเครียดเกิดจากความโกรธความไม่พอใจหรือเกิดจากความยึดมั่นถึงมั่นมีตัวตนสูงจัดเรายอมใครไม่ได้เนี่ยโอ้มันเครียดมากนะตัวตนสูงนี่เครียดสูงเพราะเรายอมไม่ได้แต่แล้วตัวตนมันใหญ่เครียดตายใหญ่ยอมไม่ได้ก็เครียดเลยคนที่มีตัวตนจะไม่เครียดล่ะ คนมีตัวตนในความคิดหนึ่งทำให้จิตมันเครียดมาก mm hmm. พอจิตมันเครียดเนี่ยเห็ดูไหมสังเกตดูร่างกายเรามันจะร้อนตาแดงหูแดงตัวสั่นเลือดสูบจิตหน้าตาเนี่แดงรุนแรงมากเซลล์ mm hmm. ร่างกายเนี่ยมันมีชีวิตนะเวลาจิตมันเกิดความเครียดเพราะร่างกายมันร้อนเนี่ยมันโมโ oh ห เซลล์ร่างกายมันบโหมันดุร้ายมันจัดที่ถูกกักขังมันดูร้ายมันทําอะไรไม่ได้มันก็ก่อสารมะเร็งเลยหมดเรื่องเวลาไปในร่างกายเราแล้วก็รับเคราะห์จากโรคมะเร็งที่เกิดจากความเครียดเป็นสําคัญเอาชนะใครไม่ได้ก็เผาบ้านเผาเมืองก็จบแบบเดียวกันนะเซลล์ร่างกายมันก็โศเกได้เหมือนกันนะมันก่อสารมะเร็งเลยทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นความเครียด เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งนะรักษาใจใหญ่เครียดก็ไว้ถ้าจะคิดขอให้ตั้งใจคิดเนี่ยความคิดมี2อย่างคิดแบบไม่ตั้งใจทีนี้จะบอกวิธีการคิดแบบตั้งใจคิดแบบตั้งใจคิดเนี่ยมันต้องคิดด้วยสติต้องมีสติตั้งแล้วก็คิดได้ดีตั้งใจคิดมันจะเป็นระเบียบใช่ไหม เราตั้งใจคิดเนี่ยเป็นระเบียบนะเวลาจบก็จบง่ายๆเลยไม่ค้างคาใจใช่เวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราตั้งใจไหมเป็นระเบียบไหมสวดมนต์เป็นความคิดหรือเปล่า <c oughs> บอกไม่ใช่ความคิดเป็นคำสวด <c oughs> ก็คือความคิดเนีย่ยตั้งใจสวดมนต์และคิดคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นความคิดไหม เราตั้งใจคิดตั้งใจบริกรรมขึ้นมาก็เป็นระเบียดนะมันพัฒนาจิตด้วยทาให้จิตฟ่องใสเดี๋ยวพ่อขามาพูดโทนเวลาเราหยุดคิดเราก็หยุดไดไ้บางคนก็บอกว่าเวลาชีวิตมีปัญหาเวลาเกิดความทุกข์เกิดความเครียดให้มองโลกในแง่ดี ให้คิดบวกอยากถามหน่อยว่าอีตอนที่ความเครียดครอบงำจิตเนี่ยมันจะคิดมองโลกในแง่บวกได้ไหมเวลาเราเกิดความโกรธเนี่ยเรามีเมตตาไหมตอนนั้นเราแผ่มเมตายังไม่ได้เพราะความกลวมันครอบงำ ใ, ใจใจมันถูกล็อกด้วยความโกรธด้วยความเศร้าหมองมันจะออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้ จะมองโลดในแง่บวกยังไม่ได้มันต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะ็คือต้องมีสติต้องตั้งสติให้ได้ก่อนต้องรู้ทันบอกอ๋นี่เรากำลังโกรธนะเรากลังเครียดนี่ตรงนี้แหละสติมาทันสามารถคิดในแง่บวกได้จะมองโลกในแง่บวกมองชีวิตในแง่ดีก็ต้องมีสติก่อนชักนาเอาความคิดดีๆมาสู่ใจต้องอาศัยสติ ทำไมเวลาสวดมนต์จึงต้องตั้งสติก่อนละ่ะถ้าเราไม่ตั้งสติก่อนเนี่ยสวดมนต์ไม่เป็นมนนะสวดมนต์ต้องมีสตินี่กัเรียกว่าสวดมนต์ถ้าไม่มีสติก็เป็น Nokia, นกแก้วนกขุนทองนั้นจะคิดในแง่บวกจะคิดดีก็ต้องมีสติก่อนเนี่ยสำคัญเลยคือตัวสตินี่แหละสำคัญมากนั้นจึงอยากจะแนะนำว่า เราควรจะนำเอาสติเอาการเจริญสติคนมีสติอยู่แล้วก็ดีถ้าคนไม่มีก็เจริญขึ้นมาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้เลยรับรองแก้ปัญหาได้สรรพัดอย่างเหมือนยาสรรพัดโรค <c oughs> เนี่ยสติเนี่ยมันเป็นธรรมโอสถนะเนี่ยตั้งสติให้ได้สติจะตั้งได้นะั้นมันต้องมีซะก่อน ถ้าไม่มีเนี่ยมันขอยืนส ต, ติก็อื่นมาตั้งไม่ได้หรอกหงตั้งส ต, ติตัวเราเองต้องมีการฝึกมีการปฏิบัติรู้มากบางทีก็ทําไม่ได้ <c oughs> เราไม่ดีบุหรี่ไม่ดีโกรธไม่ดีโลดไม่ดีแต่ทําไม่ได้ <c oughs> ต้องมีสติถึงต้องมีการฝึกเนี่ยสติเป็นคุณธรรมชั้นสูงเลย เมื่อมีสติแล้วมันจะนําเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตชีวิตจะมีความถตกสติต้องคู่กับปัญญาจึงจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดคือดับทุกข์ได้จะต้องมีการฝึกสติไงฝึกสติต้องไปฝึกที่ไหนฝึกที่ธรรมสถานบ้านโบทองเท่านั้นหรือหรือฝึกที่วัดที่ไหนสติฝึกที่ไหนฝึกที่เนื้อที่ตัวเรากายอยู่ไหน อยู่นั่นกายทำอะไรเอา้าใจรู้ด้วยสติอยู่คู่กับใจขยับกายใจรู้ทันนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่นันห้องน้าก็ทำได้นะกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนอนก็รู้สึกมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันกับการนอนรับรองว่านอนหลับทุกหลายจะเดินไปไหนแต่ละก้าว ให้มีสติอยู่กับการเดินก้าวเดินแต่ละก้าวรู้สึกตัวเดินเข้าห้องน้ำเดินไปตลาดให้รู้สึกตัวในขณะที่ก้าวในขณะปัจจุบันเนี่ยเหมือนการเดินจงกรมการเดินจงกรมก็คือการเดินอย่างมีสติตนี้เราเดินเข้าห้องน้ำก็เหมือนการเดินจงกรมก็คือการเดินอย่างมีสติเราเดินจงกรมอยู่ในวัดแต่เราขาดสติสู้การเดิน เข้าของน้ำอย่ามีสติไม่ได้ดังจงกลมที่จริงกว่าจงกลมการเดินอย่างมีสตินทุกคนมีบทเรื่องการเดินอยู่แล้วอย่าเดินปล่าเปล่าอย่าเดินฟรีฟรีเติมความรู้ตัวไปด้วยเดินแต่ละก้าวเนี่ยเป็นบุญบุ ญ, บ, ญบุญทั้งนั้นเลยบุญคือการรู้ตัวรู้ตัวเวลานั่งก็อย่านั่งซึมจิตใจเลือ่อนลอยไปดีอนาคต นั่งก็ให้รู้สึกตัวถ้ามันจะหลับไอ้มันเคลื่อนไหวก็แะร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกเนี่ยไม่หลับหรอกเห็นไ่มเราเคยนั่งสมาธิไหมพนั่งสมาธิพอหลับตาปั๊บมันหลับไหนหลับข้างนอกไม่ว่าหลับไหนหลับเนียเพราะเราไม่ได้นั่งสมาธิอย่างมีสติด้วยสมาธิไม่เกิดสมาธิจะเกิดต้องมีสติควบคุมรู้ตัวว่ากาลังนั่ง นั่งรู้ว่าสติรู้ว่านั่งเกิดสมาธิเลยนักคนที่ฝึกนั่งสมาธิเนี่ยจะบริกรรมแล้วก็ตามถ้ามันจะหลับเนี่ยให้เปลี่ยนยาบทเปลี่ยนไปเดิ น, นเคลื่อนไหวก็ไวเรียบบทของกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกสติให้มันตื่นให้มันตื่นก็ไวคำว่าตื่นคือรู้สึกตัวนะตื่นตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้านั่งเฉยเฉยมันจะหลับขยับเคลื่อนไหว ให้รู้สึกตัวไม่งั้นเราก็จะซึมไปความสงบได้แต่ความสบายแล้วก็หลับไหลไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องให้รู้สึกตัวนั่งสมาธิก็ให้รู้สึกตัวสมาธิจริงๆตั้งมั่นนะเวลาเดินก็อย่าเลื่อนลอยเดินด้วยความรู้สึกตัวทุกอย่างทำได้หมดเลยนอนนั่งยืนเดินเคลื่อนไหวทั้งซ้ายทั้งขวาอย่าให้มันฟรีฟร เคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยให้มีบุญติดตัวคือรู้สึกตัวคือการมีสติเองการมีสติก็คือมีความรู้สึกตัวขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเล ย, เยกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกใจมันคิดสติรู้ทันเนี่ยสำคัญนะที่เรามาเคลื่อนไหวมานั่งสงบอันนี้ก็เพื่อรู้ทันจิตใจถ้าไม่รู้ทันจิตใจตัวเองเนี่ยเราจะไม่ ไม่ทันกิเลสเวลามันคิดมีสติรู้ทันทีที่มันคิดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปแก้ไขความคิดด้วยความคิดของเราสติรู้แล้วปล่อยมันผ่านไปอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปตามความคิดและอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้เป็นผู้รู้ความคิดแล้วปล่อยให้ความคิดมันผ่านไปอย่างสบายสบายไม่เป็นอริกานอย่าไปลังเกียดนะ ยิ่งรังเกียดมันยิ่งมาเห็นไหมเราไม่อยากคิดมันก็ต้องคิดเนี่ยให้รู้ทันแล้วทำสติรู้ทันความคิดเป็นเรื่องธรรมดาปลมันผ่านไปเนี่ยดูจิตง่ายๆมันคิดก็ให้รู้แล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็รู้ใหม่เนีนักปฏิบัตินะรู้ใหม่รู้รู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมก็ได้ เ, เวลามันคิดขึ้นมามันออกนอกคาบริกรรมไม่รู้ทันแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็มารู้ที่ เริ่มต้นรู้ใหม่อยู่กับคํำวริกรรมไม่ใช่ชักกิดกลับมาไม่ชักไม่ดึงกลับมารู้ใหม่ดีกว่าเห็นไหมมันชักกลับมาไม่ได้หรอกอนาคตไปแล้วจะถอยหลังมาดีตไม่ได้ให้รู้ใหม่รู้ใหม่อนาคตใหม่คือรู้ใหม่ชีวิตจะได้ใหม่ๆไงของใหม่มันไม่ค่อยเต็งละรู้ใหม่ถ้าเราฝึกที่มีสติรู้ใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัจจุบันที่ใหม่ๆ เราจะไม่เบื่อคนเก่าๆหน้าเก่าๆแล้วก็ไม่เบื่อเถะถ้าเรามองเขาเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาไม่น่าเบื่อสำหรับเราเลยเขาเหมือนคนใหม่สำหรับเราเสมอๆนะได้ใหม่โดยไม่ต้องเปลี่ยนคู่ <c oughs> ก็รู้สึกตัวใหม่ชิตมันก็ใหม่เออมันใหม่แบบแบบมีความสุขเห็นไห ม, มีสติให้รู้ทันความคิดเพราะนี้เป็นตัวปัญหาทําให้จิตมันเครียดแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป มีประโยชน์นะการนำเอาสติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำงานกับคนอื่นเนี่ยที่เรามีปัญหากับเขาเพราะาเรารู้ไม่ทันความคิดตัวเองรู้ไม่ทันความคิดตัวเองคิดว่าเขาว่าเร า, เราตำหนิเราตามจับดูเราแต่เรานั่นเราเป็นคนที่ระแวงกังวลสงสัยเขาอยู่เรื่อยเพราะไม่รู้ทันจิตใจตัวเอง เ, เวลากระทบอารมณ์ปั๊บ ถ้าขาดสตินะจิตมันจะก่อตัวเป็นความไม่พอใจส่วนมากจะไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วถ้าไม่รู้ทันตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนพัฒนาขึ้นเป็นความกโกรธ <Yeah. S 1> เป็นความกโกรธไม่พอใจอุดหจิต <Yeah. S 1> เกลียดแล้วถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้นะมันจะเกิดเป็นเขาเรียกตัวอุปท า, านยึดมั่นถึอมั่น โอ้นี่เราเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้โกรธเนี่ยมันจะเริ่มทุกข์แล้วเริ่มทุกข์แล้วเนี่ยเกิดเป็นภพเป็นชาติกว่าตรงนี้ล่ะพอเราโกรธเราก็เกิดมาเป็นภพชาติหนึ่งทีนี้ต่อไปถ้ากาดสตินะมันก็จะออกมาทางกายทางวาจาทํารลายเขาทางวาจาก็ดุด่า ว, ว่า ก, กล่าวเห็นหเสียหายมากคนรอบตัวก็ไม่มีความสุขเราเองก็ตกนรก แต่ถ้าคนฝึกสติไวจิตรติไว้เวลาจิตมันไม่พอใจมีสติรู้ทันมันไม่ปรุงแต่งไปสู่ความโกรธความยึดมั่นถือมั่นพอสติรู้ทันอารมณ์ที่ไม่พอใจในความคิดค่อยๆสลายดับไปใจแล้วก็สดชื่นคนรอบข้างก็ก็พลอยมีความสุขด้วยสำคัญมากคือตัวสติให้รู้ทันอารมณ์เนี่ยถ้ารู้ไม่ทันเเราจะเดือดร้อน เราต้องนำเอาธรรมะคือการเจริญสติมาประยุชใช้ในชีวิตประจำวันเป็นยาสารพัดรักษาโรคสารพัดแก้ปัญหาชีวิตได้ทั้งนั้นเพราะสติมันนาเอาปัญญามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ละ่ะเป็นการปฏิบัติธรรมใชม่ยากไหมการปฏิบัติธรรมมันง่ายง่ายใช่ไหม เพื่อทำความเข้าใจนิดเดียวการประเดธรรมนะั้ง่ายมากถ้าเราขาดสติอย่างเดียวเนี่ยโอ้จิตมันก็ปรุงแต่งเป็นความรักเนี่ยไม่พอใจในอารมณ์ซึมเศร้าเห็นคนซึมเศร้าในขาดสติคนที่จิตใจฟุ้งซ่านคิดมากแล้วเป็นคนเจ้าปัญหาเนี่ยขาดสติทั้งนั้นถ้ามีสตินะเราเนี่ยหายหมดเลยมันไม่เครียด พอหมกมุ่นเรื่องการไม่เครียดเพราะความกระไม่เครียดเพราะว่าความซึมเศร้าไม่เครียดเพราะความคิดฟุง้งซ่านสติจะรักษาจิตให้เป็นปกติได้เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยผู้เจ้าท่านก็อายอย่างนี้แหละอันนี้เนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่พวเองก็เคยมีปัญหานะ แต่ก่อนมีปัญหามากใครมีความทุกข์มากขนาดไหนเนี่ยมาเที่ยวกับผมไม่ได้หรอกผมมีความทุกข์มากสมัยก่อนทุกเกิดจากความคิดนี่แหละ <c oughs> กายก็ป่วยใจมันก็คิดเไม่รู้จะเอาชีวิตไปฝา่าวงไหนดีฝ่าวิธีกายแล้วก็ป่วยกายฝ่าวิธีจิตมันก็คิดมากก็ไม่มีความสุขฮะความสุขไม่ได้ปัญหาทําให้จิตใจเราเป็นทุกข์ ก็ไม่มีที่พึ่งสมัยก่อนไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะไม่มีที่พึ่งก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านก็เป็นเพียงแค่ที่พึ่งภายนอกยันดีก็พาเราไปส่งถึงเมนแล้วก็ทำหน้าที่พระเผาใจเราก็ยังมีปัญหามันเดิมใจต้องพึ่งใจเราเราต้องพึ่งใจเราเองให้ได้ขนาด ใช้วิธีการรักษาตัวเองแบบไสยศาสตร์นะผีเจ้าเข้าทรงโอ้สารพัดอย่างทดลองมาแล้ว <c oughs> ลองนะไม่เชื่อแต่ลองนะตอนนี้ก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อให้ลบลูเนี่ยเขากันไม่ได้นะเราไม่ลบลูแต่ลองแล้วมันไม่ได้ผลอะ่ะไสยศาสตร์ก็ทําให้เราหลอกให้เรามีกําลังใจนะ <c oughs> ั่นสุดท้ายมันแก้ปัญหาเราไม่ได้มีกําลังใจชั่วเท่าที่เราไปหาหมอไสยศาสตร์ พอกลับมาบ้า น, นก็เหมือนเดิมไม่ใช่ที่พึ่งดีแท้จริงรับรองได้แต่ต่อมามาศึกษาธรรมะมาสนใจธรรมะมปฏิบัติธรรมะเริ่มจากการฟังการคิดแล้วก็การปฏิบัติสนใจธรรมะเอาการปฏิบัติธรรมคือจับตัวการจิตสติเนี่ยมาใช้ในชีวิต ประยุกต์ใช้เลยในสภาพที่ร่างกายพิการเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติ ท, ทําได้เพราะสติปัญญาเรายังมีอยู่ไอ้ที่พิการเป็นเรื่องของร่างกายเฝึกปฏิบัติธรรมะในข้อการเจริญสติในชีวิตประจําวันขยับกายใจรู้ทันกายเคลื่อนไหวใจรู้อยู่กับปัจจุบนันอยู่กับกายจิตนี่แหละจิตมันก็ไม่หมกมุ่นกับความทุกข์มันก็มีแต่ความบ่อนคายมีความสุข ชีวิตจะมีความสุขดันต้องฝึกให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันไม่ค่อยมีความทุกข์ที่มีความทุกข์เพราะเราคิดถึงเรื่องอดีตเสียดายอดีตกังวลอนาคตถ้ามีสติอย่างเดียวนั่นแนะ่ะชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันเลยความผ่อนคลายทางจิตจิตไม่เครียดยิ่งฝึกนานๆเข้าเนี่ยมันมันเกิดการเห็นเป็นปัญญาสติทาให้เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องชีวิต เข้าใจเรื่องตัวเองเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตเนาะความพิการเป็นเรื่องของร่างกายความไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจเนาะแบ่งแยกกันออกไปเลยสติเป็นกรรมการแยกระหว่างกายกับจิตซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันจิตจิงละออกจากความพิการได้เพราะว่าจิตไม่ได้ไปหมกมุ่นกับกายที่พิการกายพิการเป็นเพียงแค่ความไม่สะดวกแต่ใจนี่มันสามารถเลือก เลือกให้มันมีความสุขก็ได้มันแย่มันเข้าใจมากนมันก็เปลี่ยนชีวิตได้เลยสติมันเกิดปัญญาเปลี่ยนชีวิตจากคนที่มีความทุกข์มาไม่ทุกข์ได้เนี่ยมันมีบุญคุณสักแค่ไหนการปฏิบัติธรรมนเนี่ยก็เลยแยกไปว่าอ๋อร่างกายเนี่ยร่างกายเปรตเส ม, มือนเรือจิตใจเปเสมือนในเรือ เนี่ยอย่างวันนี้มีนักบินมาฟังนะตัวยกตัวอย่างเรื่องเรือบินกับนายเรือหน่อยนะสมัยก่อนนี่เขาไม่เรียกเรเครื่องบินอะสมัยเด็กเราเรียกเรือบินเรือบินเนี่ยคือสิ่งที่บินล่องอยู่ในอากาศนายเรือคือผู้ขับเครื่องบินจิตเปรียบเสมือนนายเรือ กายเป็นเสมือนเรือบินก็อาศัยกันนายเรือก็ขับเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าระหว่างที่ขับเครื่องบินไปเนี่ยเครื่องบินก็มีการขัดข้องนายเรือทำยังไงต้องแก้ไขเรือนายเรือแก้ไขเรือบินนะมันเป็นปกติก็พยายามแก้ไข ให้เรือบินนี่เป็นปกติให้บินตามปกติแต่แก้ไม่ตกยิ่งแก้ไขหัวมันยิ่งต่ำลงทาลงมันน่นาจะจะมองโลกแล้วออในเรือผู้ฉลาดก็ไปับบังคับเรือบินให้ไปลงที่ปลอดภยัยไม่ใช่ที่ชุมชนลงน้ำลงบอ่อที่กลางทุ่งนาก็ได้ออพอบังคับให้ตรงแล้วในเรือก็ดีตัวเองเอาตัวรอด <laughs> ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนะเครื่องบินตกเนี่ยนายเรือจะต้องตกตายไปกับเครื่องบินเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเสียสองอย่างเลยเสียทั้งเรือเสียนายเรือนายเรือก็เสียเรือก็เสียต้องดีตัวเองเอาตัวรอดไปก่อนนะสละเรือเอานายเรือรอด <c oughs> เนี่ยผมก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยแม้ว่าจิตใจมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ร่างกายมันยังมีปัญหาอยู่ <c oughs> ผมที่ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกจะต้องมีคนใคอยช่วยเหลืออย่างวันนี้เพื่อนชมรมเพื่อคุณธรรมเนี่ยมากันทั้งทีมาช่วยเหลือผมแล้วก็มาเป็นกำลังใจกับญาติธรรมจากธรรมสถานบ้านโปทองเนี่ยมาสองคันรถเลยกินกันอิ่ม้ํำสำราญพระเจ้าอุทัย ต, นตอนรับดีอย่างนี้ก็ต้องแขกก็ต้องมาบ่อยสิเจ้าบ้านตอนรับดี มีที่อยู่มีที่ให้พักไงร่างกายผมก็ต้องอาศัยคนอื่นเป็นสะพานบุญผมทําบุญด้วยตัวเองไม่ได้หอรอกภายนอกนะทําใจได้ทําบุญก็นอกต้องอาศัยคนอื่นเป็นสะพานบุญเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เป็นเนื้อหนาบุญให้ผมได้รีถ่ายบุญนะถ้าไม่มีคนฟังเนี่ยผมจะถ่ายบุญกับใครเนี่ยถ่ายบุญเนี่ยหายใจเนี่ยคือผู้ตามะตั้งก็เป็นคนฟัง ต่อสายคนอื่นเป็นสะพานบุญคือร่างกายมีปัญหาแต่ใจมันไม่ทุกข์อ่ะใจมันมเป็นทุกข์ร่างกายมีปัญหาแต่ใจไม่มีปัญหาอยากจะแนะนำนิดหนึ่งต้องรู้จักแบ่งแยกนะปัญหาไม่ใช่ความทุกข์นะ <c oughs> เราแยกอย่างนั้นได้ไหมพอเรามีปัญหาปับ๊บใจเราเป็นทุกข์เลยปัญหาความทุกข์ รวมกันหมดเลยปัญหาไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญบางทีเลือกไม่ได้แต่ใจจะทุกข์หรือไม่เนี่ยเราเลือกได้นะเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ร่างกายป่วยใจเลือกไม่ป่วยก็ได้นะหัลโหชีวิตมาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมมันไม่สนใจกายมันปล่อยวางกาย สละกายเอาใจรอดเห็นไหมเหมือนนักบินอ่ะสละเรือเอานักบินรอดเนีเรื่องอะไรเราไม่ใช่คนโง่เนืปล่อยร่างกายพิการใจพิการด้วยเรื่องอะไรเราต้องลาออกอย่างนี้นะลาออกมาอยู่กับพระธรรมน้านะปลอดภัยปล่อยให้ร่างกายมันตายเน่าเข้าลงไปจะเราเป็นอิสระไม่ต้องไปทุกข์กับเขายอมรับมันได้เข้าใจไม่ได้เพราะว่าเข้าใจว่ากาย คือสิ่งที่เราอาศัยชั่วคราวเป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวอาศัยทําความดีอาศัยทาําทประโยชน์อาศัยพัฒนาตัวเองให้เกิดสติปัญญาพอมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ปล่อยวางมันซะลาออกมันเหมือนเราจะข้ามฝั่งไปเนี่ยเราพายเรือข้ามฝั่งไปแล้วพอถึงฝั่งต้องแบกเรือขึ้นไปไหมจอดไว้นั้นแล้วก็เดินไปตัวเปล่าเบาสบายเลยเอาช้อนมาคันตักน้ําแกงสด แล้วก็ถือถือช้อนไว้มันใช้ประโยชน์ได้เนี่ยป่านไหนก็มีช้อนกันยึดมั่นถือมั่นสดน้าแก่แล้วก็วางไว้วันหลังให้มาสดต่อ น, นี่นะเนี่ยร่างกายเหมือนกันมันปวดมันไข้ก็ดูแลรักษามันเต็มที่ไม่หายไม่หายก็ต้องปล่อยวางถึงคราวตายแล้วก็ต้องไม่ตายไปด้วยไม่ต้องตายไปกับกายใช่ไหมต้องฝึกปล่อยวางนะเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่นะ จะปล่อยวางได้คิดเอาไม่ได้คิดเอามันยิ่งยึดยึดติดใหญ่เลยต้องฝึกสติปฏิบัติรมให้รู้ความจริงของกายของจิตซะจะได้ปล่อยวางมันได้นี่จิตใจจะเบาสบายเนี่ยนายเรือผู้าจารฉลาดต้องจากสละเรือจิตใจที่มีสติปัญญามีสติประกอบ ด, ด้วยปัญญาด้วยเนี่ยมันมถึงว่าปล่อยวางกายได้ มันจึงบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายพาเรือชีวิตไปอย่างลอดปลอดไปนี่เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปหรอกอย่างเช่นเนี่ยที่เราผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีปัญหาอุทกภัยใช่ไหมอุทกภัยเป็นปัญหาไหม เป็นปัญหาแต่ต้องมีความทุกข์เสมอไปไหม <c oughs> โอ้บางคนไม่ทุกข์เลยนะเด็กนี่มันพายเรือเล่นสบายเลยโอ้สกัดไฟน้ําท่วมบ้านเราแล้วเราพายเรือเล่นจับปลาเลยไม่ใช่ความทุกข์เสมอไปปัญหาคือสิ่งที่เราต้องเผชิญความทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้ทุกข์หรือไม่ทุกข์เลือกได้เลือกได้ที่จิตใจบางคนฉลาดรู้จักคิดเออบ้านเราเนี่ยแร้งมานานตอนนี้น้ําท่วม มันเป็นปัญหาแต่ไม่เป็นไรหรอกอนาคตข้างหน้าเรากักเก็บน้ําไว้หน้าแรงเรามีน้ําใช้นะ <c oughs> วิกฤตกลายเป็นโอกาสเก็บน้ําไว้ใช่เขาจะบอกว่าน้ําท่วมยังดีกว่าฝนแรงใช่ไหม <c oughs> โอ้น้ําท่วงดีกว่าฝนแรงฝนแรงไม่มีน้าน้ําท่วมยังมีน้ําเดี๋ยวไม่ช้ามันก็ลดลงไปบางคนคิดแยบคายกันเองนะดีใจเมื่อบ้านเมืองถูกน้ําท่วม เราได้ใดถือโอกาสทาบุญบริจาคสิ่งของไอ้ของที่เราไม่ก็ได้ใชอ้ออกจากบ้านบ้านโล่งไปเยอะเลยได้บริจาคสิ่งของออกจากบ้านเขาก็มีความสุขได้บริจาคได้ช่วยเหลือคนน้ำท่วมก็เกิดปีติโอ้เกิดบุญโดยที่บรรยากาศก็เรียกพลิ ก, ลกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำความดีทำบุญด้วยโอ้บางคนแย่พายกันอีกดีใจอยากให้น้ำท่วมบ่อย คนี่ได้สามัคคีกันนั่นมันทะเลาะกันมากหน้าจอทีวีมีแต่กีฬาสีนะพอมีน้ำท่วมมาในกีฬาสีหายไปเลยนะเลิกแข่งขันเลยมีน้ำท่วมแทนโอ้นะมันเป็นโอกาสดีนะไม่งั้นทะเลาะกันไม่เลิกอ่ะหน้าจอทีวีเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของความสามาัคคีความรักกันผมก็โชคดีนะ ก็เคยโดนน้ำท่วมเหมือนกันน่ะน้ำ ท, ท่วมเป็นไท้ผมโชคดีนะเมื่อผมอยู่ น, นครสวรรค์บ้านอยู่ น, นครสวรรค์น้ำมมท่วมเมื่อปี2508ผมพี่การปีพศ .2522 ถึงปี2508บวกลบเรียบร้อยแล้ว16ปี <c oughs> น้ำท่วมบ้าน บ้านอยู่กลางสวนโหน้านี่ท่วมรอบบ้านเลยเหมือนบ้านผมอยู่ในเป็นแพเหมือนเป็นเรือน้ํารอบๆเหลือท่อสมออยู่กลางน้ํามีน้ํารอบๆโอ้ช่วงนั้นนคะรสวรรค์ตะเข่มาหลุดออกมาจากฟาร์มซะด้วย <c oughs> โอ้ทำไงดีวะบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับนะเห็นขอนไม้ลอยมาก็ตกใจเข่มาแล้วหมาก็เห่ากันใหญ่โอขอนไม้มันเป็นปัญหา จระเข้หลุดมาจากฟาร์มแต่ชาวบ้านข้างๆบ้านผมเนี่ยดีใจดีใจที่ตามล่าจระเข้เอาไปส่งคืนฟาร์มได้ตัวละเกือบหมืน่นไม่กลัวน้ําท่วมไม่กลัวจระเข้ไล่จับจระเข้จระเข้ต้องวิ่งหนีเป็นพันละวันขายได้ตัวละเกือบหมื่นให้ฟาร์มจระเข้ฟาร์มไหนมันมียี่ห้อติดมาอ่านี่ไปขายตามฟาร์ม น, นุ้นโอ้น้ํามันท่วมเดือนเดียวมันน้อยไปรายได้จากจระเข้ยังไม่เพียงพอจะตั้งตัวได้สักหน่อย นั่นคือปัญหาแต่ไม่ใช่ความทุกข์ของคนบางคนผมเองก็โอกาสเหมาะเลยตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมรู้ธรรมะแต่ไม่ได้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมมาเข้าถึงธรรมนี่ต่างกันนะรู้ว่าไอเ น, นี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษนะแต่ว่าเราก็ยังทําสิ่งนั้นอยู่เห็น ไ, ไหมแต่ยังโกรธอยู่รู้ว่าความโกรธไม่ดียังโกรธอยู่แสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงความโกรธที่แท้จริงมโนความโกรธร้อนอย่างไรนรกอย่างไร มันทุกแค่ไหนผมก็ยังไม่ถึงนะแต่รู้ ร, รู้มากเลยพอน้ำท่วมบ้านโอ้โชคดีละน้ำท่วมตรงนี้ละเราจะเจริญสติมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วน้ำท่วมไม่ท่วมแล้วก็นอนติดเตียงอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วถือว่ากาศเลยนะเราไปไหนไม่ได้ไม่มีใครมาหาเราไตรสณีก็ไม่มาแล้วเราไปหาใครไม่ได้โอ้มันมันวิเวกมันสงบนะ เป็นการดีนะเคยให้เวลาจะปฏิบัติธรรมเนี่ยคนน้นมาคุยคนนี้มาพูดโอ้น่าเบื่อนายผมปลีกวิเวกโดยที่ไม่ต้องปลีกไปไหนน้ํามันช่วยป้องกันเราจะเจริญสตินะจะไปเรียนทำตรงนี้แหละให้มันรู้ทำให้มันมันรู้ทำไปกับน้ําท่วม่เลยนะโอ้น้ําท่วมแค่หนึ่งเดือนมันน้อยไปหน่อยนะน้ําท่วมแค่หนึ่งเดือนนะปฏิบัติจนหนึ่งเดือนนะพอน้ําลด โอ้ความทุกข์มันลดไปตามน้ำว่าดีนะแม่แก้เดือนเดียวยังลดแค่นี้นะท่วมนาก็นีจะได้ลดมากกันี่ความทุกข์มันลดมันเปลี่ยนชีวิต <Yeah. S 1> ก็เลยบอกว่าโอ้ปัญหาน้ำท่วมนี่มันไม่ใช่ความทุกข์ <Yeah. S 1> ปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ปัญหาคือสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ต้องไปเจญเห็นไหความแก่เจ็บตายความพลาดพลาดหนีได้ไหม แต่มันต้องทุกข์เสมอไปไหมไม่ทุกข์ก็ได้คืออยู่กับว่าสัมมาทิฏฐิวิธีคิดที่ถูกต้องขนาดไหนถ้าคิดถูกต้องแยบคายใจไม่ทุกข์โอ้ร่างกายเนี่มันอันนี้จังทุกขังอันาตาอย่าไปยึดมั่นถือ ม, ม, มันมันเลยมันแสดงศาสนาธรรมเนี่ยเราเข้าใจมันไม่ยึดมั่นถือมันใจก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าบอกว่าถึงเวลาป่วยไขย้โอ้เราป่วยเราแย่แล้วทํายังไงดีครอบครัวอยู่ยังไงคิดปรุงแต่งไปนู่น มันก็ทุกข์นทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องมันจึงจะไม่ทุกข์เนี่ยคนที่มีประสบการณ์ชีวิตนะถ้าชีวิตมีปัญหาขอแนะนำให้เราเอาเอาปัญหานะั้นอะมาเป็นบทเรียนชีวิตเินนำปัญหามาเป็นบทเรียนชีวิต ไหนเราลีกเลี้ยงไม่ได้แล้วศึกษาปัญหาเลยเป็นบุเรียนชีวิตว่ามันปัญหานะันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถึงมันของเราใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราเราจึงมีปัญหาเป็นการพัฒนานจิตให้เกิดสติปัญญานะนอกจากจะพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยยังสามารถนํามาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในส่วนที่เป็นประโยชน์ ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้ทำบุญด้วยได้พัฒนาตัวเองด้ว ย, ยอย่างวันเนี้ย <c oughs> จะประสบการณ์ก็นำเอามาเล่าสู่กันฟังในส่วนที่เป็นประโยชน์เนี่ ย, ยสำคัญเลยเนี่ ย, ยได้มาทำบุญนะได้มาทำบุญจริดธทํมก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ฟังก็ได้บุญด้ว ย, ยถ้าตั้งใจฟังบุญมันก็ตั้งขึ้นถ้าเผลอหลับไปบุญมันก็ไม่ได้ ถ้าตื่นขึ้นมารู้สึกตัวฟังก็ได้บุญถ้าเผลอตัวหลับมันก็ไม่ได้บุญเนี่ยบุญมันเลยขาดตกบกพ่ออย่างนี้แหละ <c oughs> เราได้บุญร่วมกันนะเพราะนั้นสิ่งที่พูดคุยไปเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับญาติธรรมไม่มากก็ น, น้อยนะเห็นว่าสมควรเก็บวเวลาแล้วบ้ง <c oughs> นะก็รู้สึกยินดีมากนะที่ได้วันนี้ได้มา สู่สถานที่ธรรมสถานย่านโพบ้านโพทองเนี่ยมาพบกับญาติธรรมมาได้นรับการพระอาจารย์อุทัยนยก็เห็นว่าสมบุณเกบเวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่านจงมีสติปัญญารักษากาย ร, รักษาใจให้พ้นจากความทุกข์แม้ว่ากายใจพิการหรือไม่พิการหรือแก่ โรคภัยก็เจ็บหนักหนาก็ได้ก็ตามไม่สำคัญเท่ากับให้มีจิตใจที่สดใสยอยู่เสมอเสมอด้วยกันทุกตั้งทุกคนเถิดพี่น้องยิธรรมที่เคารพครับพี่น้องขาราชการโรงเรียนกัร บ, บินและนักเรียนที่รักทุกท่านเป็นเวลาชั่วโมงเศษที่ธรรมะความจริงที่เกิดขึ้นณนสถานที่แห่งนี้หลายๆท่านอยากจะยื่นใบลาไหมครับไม่ได้ลางานนะครับ ลาอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านบอกลาออกจากความทุกข์เราเห็นปัญหาวันนี้ชื่นใจมากผมไม่อยากจะให้พวกเราเสียเวลาที่มาตรงนี้แล้วผมขอญาตท่านอาจารย์นิดหนึ่งท่านอาจารย์พอ ม, มีเวลากระดาษอยู่ตรงนี้นะครับท่านพี่ช่วยนิดหนึ่งกับปากามีปัญหาอยากจะถามเรียนถามอยากจะแนะนำน้องน้องนักเรียนนิดหนึ่งท่านอาจารย์กำพลทองบุญนุ่ม ท่านเป็นอาจารย์สอนพระรศึกษาของวิทยาลัยพระรศศากจังหวัดอ่างทองท่านสอนว่ายน้ำด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านประสบอุบัติเหตุกับการโดดน้ำแบบพุ่งหลาวสาธิตการโดดน้ำและประสบอุบัติเหตุจนท่านต้องประสบกับมรสุมชีวิตซึ่งท่านพูดตรงนี้เองว่าไม่มีใครที่จะประสบกับความทุกข์ในชีวิตมากกว่าท่านถ้าเทียบกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ ป่วยทั้งกายและป่วยทั้งใจสุดท้ายท่านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยพุทธธรรมที่ท่านบอกกับพวกเราว่าธรรมโอสถนะครับและท่านอาจารย์ท่านไหนที่ยังฟังท่านไม่เบื่อนะซีดีกับหนังสือมีไว้อยากจะได้ซีดีที่นี่ไม่ซื้อไม่ขายและไม่แจกแต่ท่านรับไปได้แล้วก็เอาปัจจัยใส่ในกล่องทําบุญเท่าไหร่ไม่ว่าต้นทุน10 บ, บาท นะะก็ร่วมไปนะท่านมีปัญหานิดนึงท่านเขียนมาได้เลยท่านใดที่อยากจะฟังธรรมะกับท่านอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6กโมงเช้าถึง6กโมงครึ่งทางสถานีวิทยุฐานากาศศ1มีนบุรีนะครับขายของมีนบุรีท่านใดที่เคยฟังท่านอาจารย์อของที่ท่านเสียไปแล้วผมจำไม่ได้ของมิตรประชานะฮะ ของ01มินบุรี AM 9, 145เเมกะเฮิรตเดี๋ยวที่สถานอากาศกระแพงแสนแล้วก็มีเครือข่ายเราอาจจะโยงเข้ามาฟังธรรมะข้อคิดสกิดใจนะครับในช่วงนี้เนี่ยท่านเขียนปัญหามาได้เลยนะครับสักคนละข้อสองข้อพอจันท่านมีเวลาท่านจะได้อธิบายให้เราฟังนะอย่าเพิ่งรีบไปไหน mm hmm. เพราะเวลาแห่งธรรมะยางพอมีนะครับมีฮะขอสัก เอาให้แหม่จะบอกว่าหน้ามาซะหน่อยได้ไหมให้รู้ว่าเราสนใจทำหน่อยเหมือนที่ท่านอาจารย์ท่านบอกมานั่งฟังทำได้บุญแป๊บเดียวบุญหลับหลบในหลับแพรบพอตั้งสติได้บุญเกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> เนี่ยบุญมันหลับตื่นๆนะที่ผมประทับใจคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าอยากจะเป็นคนมีสติต้องฝึกสติต้องฝึกสตินะตสตผมจดมาทเยอะเลยได้หลายหน้ากระดาษนะ สิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตก็คือกําลังใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิ ต, วตมีปัญหาคือกําลังใจแต่ว่าทุกวันเนี่ยเราต้องการกําลังใจให้กับเดนด้วยการไปพึ่งไสยศาสตร์ซึ่งท่านอาจารย์บอกไสยศาสตร์คือศาสตร์ในการหลับไหลไปไหว้ลาหูมั่งเลยกลายเป็นหูติง่ง <c oughs> ไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับนะเพราะนั้นคนที่มีชีวิตเนี่ยจะมีความสุขคนที่มีชีวิตคนที่มีความสุขชีวิตจะมีชีวา คนที่มีความทุกข์ชีวิตจะมีชีวาตขาดความสุขชีวิตเลยร่วงโรยนะเพราะฉนั้นมีแม้แค่สองสามคำถามก็ได้โรงเรียนกันบินมีไหมครับมาตั้งเยอะเลยไปหลบอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้ผมชอบกระแนงกระแหนโรงเรียนกันบินครับเพราะผมเป็นคนสักการโรงเรียนกันบินแล้วก็ย้ายไปแล้วผมก็คอยกระแทกโรงเรียนกันบินอยู่เลยมาเนี่ประมาณ500อคนมาฟังธรรมอยู่สามคนมันนกเขา ที่อื่นก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเน้นว่าอาจารย์ฝากไว้วันนี้ก็คือว่าถ้าอยากจะมีความสุขกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกและถ้าใจคิดสติต้องรู้ทันแล้วเราจะลาออกจากความทุกข์ได้อย่างหมดจดมีไหมครับเดี๋ยวจะท่านอาจารย์ท่านจะนั่งนานท่านรับงการพักผ่อนถ้าสนใจเชิญครับ มีไหมครับอุ้ยขอเลยเธอจะให้รู้ว่าคนทำาถานบ้านโพซองสนใจธรรมะอยากถามอีทีอย่างเงี้ยอยากจะให้ถามนักไม่เคยถามหรอกเวลาเดินผ่านไปเห็นเขานั่งกินข้าวก็ยินด้ชอบถามทำอะไรกินข้าวเหรอ <c oughs> ถ้าเป็นผมก็ <c oughs> จะบอกว่าผมสักผ้า <c oughs> <c oughs> ขออยุากครับทา่านอจครับเออมีคนถามท่านอาจารย์ว่าอาจารย์ปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้ว การปฏิบัติธรรมครั้งแรกของอาจารย์เริ่มที่บ้านหรือที่วัดครับ <c oughs> ก็เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2538 <c oughs> นาจะถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติมันก็คือชีวิตของเรามันกลายเป็นชีวิตการปฏิบัติธรรมเหมือนกการที่เราได้ทานข้าวแต่ละมื้อแต่ละมือ้อถ้าไม่ไ ป, ปฏนบัติเมื่อเราขาด อาหารขาดข้าวมือใดเมื่อหนึ่งไปมันเป็นชีวิตมันมีความสุขมีความผ่อนคลายก็ไม่ได้เริ่มต้นที่วัดคนพิการเขาไม่ให้ไปวัดหรอกเมื่อก่อนทางลาดก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างทำระสานบ้านโพธิทรนี่เขายังชั่วนะ <c oughs> มีทางลาดมีอะไรสะดวกสบายเริ่มต้นที่บ้านจิตตอนแรกตั้งใจว่าจะบวชไม่จ ะ, จะบวช แล้วก็พิการซะก่อนไม่ได้บวชพอเริ่มต้นปฏิบัติมองภาพว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องไปอยู่ที่วัดต้องบวช <c oughs> สร้างเงื่อนไขกับตัวเองมากมายต้องไม่พิการด้วยจะปฏิบัติได้มันก็เลยท้อแท้ไม่อยากจะทําไม่อยากอะไรแต่ได้กําลังใจจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อคาเขียนท่านก็ว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าไปไหนไม่ได้ที่จริงเราก็รู้มาก่อนนะ แต่ว่าขาดการยานมิตรขาดครูบาอาจารย์มันเริ่มต้นไม่ถูกเพราะท่านบอกว่าทาที่บ้านได้ก็เริ่มทาก็จบเริ่มทาก็เริ่มหมดปัญหาเรื่องทำที่ไหนดีก็นอนพลิกมือเล่นพลิกมือเคลื่อนไหวใจรู้สึกนอนพลิกมือเล่นก็เริ่มต้นที่บ้านเดี๋ยวนี้พอเราพัฒนาขึ้นเนี่ยที่ไหนก็ได้ถ้ามีสติมีกายมีจิตมีสติก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น เพราะนญ้นยาย ท, ทำทุกคนเนี่ยเป็นคารวะญาติโยมบางทีเราไม่มีโอกาสได้บวชรู้สึกมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่มีโอกาสไปวัดก็เริ่มต้นปฏิบัติอยู่ที่บ้านนั่นแหละถ้ามีโอกาสก็มาเติมม า, ต ม, มาชาร์จแบตมาหาสิ่งแวดล้อมที่วัดบ้างเป็นโอกาสแล้วแต่เราจะอํานวยนะเพราะนั้นเริ่มต้นที่บ้านนั่นแหละทําได้ทั้งนั้นขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ท่านปฏิบัติมา แล้วก็เมื่อกี้ถ้าท่านตั้งใจฟังนะท่านอาจารย์เขาจะเน้นเสมอว่าเริ่มที่ที่ตัวเรา จ, จิตที่ตัวเราอย่าไปอยู่กับความคิดตึงนี้จากความคิดมีคนถามน่านอาจารย์ครับท่านบอกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคร้ายต่างๆบางคนบอกว่าให้ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วจะหายจริงหรือไม่ครับอืมเรื่องทางกายเนี่ยมันไม่หายหรอกนะแต่ใจมันดี เราได้ทำได้สิ่งที่เราศรัทธาใจเราก็มีกําลังใจถ้ามีกําลังใจแล้วเนี่ยใจมันหายจากความทุกข์ความเครียดถ้าใจมันดีนะใจมันหายจากความเครียดเนี่ยบางทีมันช่วยร่างกายให้มีอาการดีขึ้นไมยถึงอาการที่ในเชิงที่หายภัยโรคหายไปถ้าโรคนั้นมันพร้อมที่จะหายได้เมื่อใจมันดีโรคบอย่างมันลดลงไปได้เพราะใจเราอย่างผมเนี่ย สภาพร่างกายแบบนี้นกลไกของร่างกายบกพร่องการทำบุญก็เคยทำมาแล้วการให้ทานการรักษาศีลแม้ทั้งการภาวนาการภาวนาเป็นบุญสูงสุด เ, เมื่อภาวนาถึงที่แล้วเนี่ยใจมันดีนแต่ร่างกายมันก็เหมือนเดิมเห็นไหมแสดงว่าบุญเนี่ยมันเป็นเครื่องรักษาใจให้มีความสุข การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตากับเจ้ากรรมนายเวรเป็นสิ่งที่ดีมากควรกระทําอย่างน้อยมันปรุงแต่งใจเราให้เป็นบุญกุศลเนี่ยเรามีสิ่งนี้แม้กายหายหรือไม่หายนีย่ไม่สำคัญแพทยทางรอดคือรอดทางด้านจิตใจด้วยธรรมโอสถส่วนกายไม่หายใจมันไม่เป็นทุกข์นั้นการแผ่เมตตามีประโยชน์มากขอทาต่อไปถ ขอบคุณครับคงได้ข้อสว่างนะครับขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับ้ำถามว่าทำกรรมอันใดไว้จึงมีคนชอบมองเป็นคนผิดหรือเป็นคนไม่ดีบ่อยอก็เข้าทางหมอดูนะเนี <laughs> ่ยผมดูได้ทุกคนเลยเนี่ยคนทุกคนเนี่ยทาบุญคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะ <laughs> อย่าไปคิดมากเลย เพราะความคาดหวังเรามันมีมากเราคาดหวังไม่มากและสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันไม่มากตามที่เราคาดหวังหรอกเพราะึงคนทุกคนเน่เหมือ น, นเปลทกินนิดทีนน้อยนียแต่ต้องการมากเพราะนั้นใครจะมองเราดีหรือไม่ดีมันเกี่ยวกับตัวเราไหมเขามองเราไม่ดีใจเขาก็ไม่ดีเองแหละ ถ้าใจเขาดีขเขาก็มองเราดีเราจะดีหรือไม่ ด, ดีไม่เกี่ยวกับสายตาคนอื่นหรอกชีวิตเรามันต้องเป็นของเราในโลกเนี่ยแบ่งคนว่าเป็นสามประเภทเราคือศูนย์กลางคนหนึ่งที่รักเราชอบเราก็ชมเชยเราดีกับเราน่าใจหายมีไหมมีเราเคยได้รับตรงสิ่งเหล่านี้ไหมชมเชยเราสารพัดอีกประเภทหนึ่ง ไม่ชอบเราสวยกว่าเขาเ ก, เก่งกว่าเขาเขาไม่ชอบเราเขาก็ติชินนินทาตำหนิเราั้งที่เราก็หาความผิดอะไรไม่ได้เลยมีไหมเนี่ยเนี่ยบอกทำบุญคนไม่ขึ้นนะอีกประเภทหนึ่งก็คือเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้กับเรามีไหมาสามประเภทเนี่ยมันเกี่ยวกับเราไหมเ <laughs> พราะนั้นไม่เกี่ยวกับเราอย่าเอาชีวิตความสุขความทุกข์ของเราเนี่ย ไปฝากไว้กับปากชาวบ้านอาเอาความสุขความทุกข์เราไปฝากไว้กับสายตาชาวบ้านอาเอาชีวิตเราไปฝากของคนอื่นเราทำอะไรดีอยู่ไม่ดีอยู่เราย่อมรู้เองเพราะนั้นมั่นใจเถอะว่าเราทำสิ่งที่ดีแล้วไม่เบียดเบียนใครก็ถูกต้องใครจะคิดจะมองอยังไงมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องเข้าใจเขานะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจเราด้วยเข้าใจเขาด้วย แล้วต้องเข้าใจเขาด้วยที่เขาไม่เข้าใจเราเนี่ยโอ้ต้องต้องตรงนี้ต้องอีกชั้นนึงนะนะตอนนี้ใครจะว่าเรายัางไงมองเราอย่งไรเนี่ยฟรีเลยนะอย่าไปสนใจชีวิตเราต้องเป็นของเราอย่าไปฟ้าไว้กับปากจะ บ, บ้านเราจะหาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธรูปยังโดนติจินินทาโล ก, กธรรมเนี่ยพระุทธเจ้าก็โดนเราอยู่ในโลกต้องกระทบโล ก, กธรรมตามกระแทกแต่เราอย่าไปกระเทือนมีสติให้จิตตั้งมั่นไว้มันเรื่องของเขา จะเรื่องของเราง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับก็หมดแล้วนะฮะมีไหมไม่มีตอนนี้ขอเป็นสุดท้ายจริงๆนะมีแผ่นเดียวถ้าท่านมีนะท่านรวมวมมาผมจะส่งให้อาจารย์เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าท่านอาจารย์พูดกัณฑธรรมะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งมินบุรีท่านอาจารย์อาจจะไปพูดถ้าโปรดติดตามฟังคําถามของท่านทางศูนย์หนึ่งมินบุรีทางอากาศอาจารย์ครับ ท่านอาจารย์ครั้งแรกที่รู้สึกว่าเดินไม่ได้ท่านอาจารย์ตั้งสติอย่างไร เ, เรื่องนี้นี่สาธารณะทั่วไปนะทุกคนําเอาไปใช้ได้อย่าเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของผมปัญหาของผมก็คือปัญหาของทุกคนนั่นแหละแค่ผมเพียงเดินไม่ได้นั่นคือปัญหาแล้วพวกเราทุกคนนะไอ้ที่ปัญหามันมีหลายอย่างแก่บ้างป่วยไข้บ้าง พัดพลากบ้างซ่อมหมอมัง่ง อ, อกอักรักหายบ้างอืเศรษฐกิจต่างๆปัญหารุมเราเหมือนกับผมที่ปัญหาเกิดจากร่างกายพิการนำมาไปใช้ครั้งแรกที่สุดก็คือเมื่อเกิดปัญหาตั้งสติให้ได้ถ้าตั้งสติไม่ได้นี่ปัญหาไม่แก้ไขนะตั้งให้ได้ก่อนเนี่ยเริ่มต้นตั้งสติให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักยอมรับ โอ้เราเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วนะเราไม่ได้คิดเอาปัญหาเกิดขึ้นกับเราจริงๆริงตั้งสติได้ยอมรับจิตจะเริ่มเบาแล้วต่อไปต้องรู้จักอดทนอดทนกับปัญหาคนเราเกิดมาต้องอดทนอะไรที่ทนไม่ได้เนี่ยอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานแล้วนีไดโนเสาร์มันทนไม่ได้มันหมดอย่างเรานี่ต้องอดทน ยอมรับแล้วอดทนแล้วต่อไปมออดทนได้แล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มมีวิธีคิดแก้ปัญหาพอเรายอมรับเนี่ยจิตมันก็เริ่มผ่อนคลายแล้วปัญหาบางอย่างต้องอาศัยเวลาอกหักรักหายต้องอาศัยการละเวลาการเวลารักษาแผลใจได้ปัญหาบางอย่างไม่ต้องแก้ไขพอนานวันเข้ามันก็เลือนลางไปเองอดทนรอเวลาสักหน่อยคนมีสตินี่จะรอคอยได้นะ คนขาดสติเนี่ยรอคอยอะไรไม่ได้รู้จักรอคอยอดทนแล้วรอคอยเสร็จแล้วมันจะมีวิธีคิดที่ดีพอคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะคิดได้ปลอดโปร่งเสร็จแล้วเราสามารถนำเอาวิธีการนั้นเรามาฝึกปฏิบัติดูสิต้องรู้จักตั้งสติยอมรับแล้วก็อดทนแล้วฝึกคิดในแง่บวกในแง่ดีซะก่อนนะชีวิต ของเราเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาปัญหาจะถูกแก้ไขอย่างง่ายได้ถ้าเรามองปัญหาในแง่ดีสิบ้างที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันไม่ถูกใจเราแล้วก็มองคือปัญหานีถ้าเรายอมรับมันโอ้นี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นหนักกับเราด้วยซ้ําไปเนี่ยผมเองก็ตอนนั้นมองใครไม่ได้โอ้เราพิการอยู่คนเดียวในโลกโลกมันแคบแค่สำหรับเรา พอเราหยุดปับ๊บเราคิดดีๆอ้ดีนี่เราได้รู้จักพัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองเข้าใจตัวเองเอาปัญหามาเรียนรู้เลยเรียนรู้ด้วยอะไรด้วยการอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือเรียนรู้ชีวิตคือการฝึกสติเข้าใจเรื่องของปัญหาโอ้นี่มันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกทั่วไปที่มีขันห้าขันห้ามันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป รู้ทันปัญหาจิตมันก็ผ่อนคลายไปเองเนต้องรู้จักตั้งสติยอมรับความจริงอดทนฝึกคิดในแง่ที่ดีแล้วก็ลองปฏิบัติตามดูปัญหาจะค่อยๆ ค, คลายตัวลงถ้าเราไม่ใจร้อนคาดหวังจนเกินไปให้ทำเหมือนการน้ำที่ตั้งบนเตาเดือดมากๆใช้การน้ำเย็นทำไงยกมันลงมาข้างล่างแล้วมันก็จะค่อยๆ เ, เย็นลงเยนะ็นลงใ่ไ มันต้องรอได้คอยได้ <c oughs> อาจจะไม่ไปแก้ปัญหาเลยตรงนี้เป็นเคล็ดลับของการอยู่อย่างมีความสุขขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับพี่น้องที่เคารพครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งใจมาฟังในวันนี้วันนี้ท่านทั้งหลายได้เอาสังขารมาสู่ธรรมบางท่านเมื่อมาแล้ว เหมือนการนำภาชนะมารับน้ำบางคนก็งายขันรับน้ำบางคนก็ตะแคงรับน้ำบางคนก็คว่ำขันรับน้ำเลยไม่รับเลยก็มีวันนี้ท่านอาจารย์ท่านมาให้ข้อคิดในทางธรรมเป็นเสมือนบุคคลที่จุดไฟในที่มืดเป็นเสมือนบุคคลที่งายของที่คว่ำอยู่เป็นผู้ชี้ทางให้พวกเรา ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมจากประสบการณ์ในชีวิตที่ท่านอาจารย์ท่านได้นำมาปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองทางธรรมสถานบ้านโพทองขอกลับคระคุนท่านอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้และมีปัจจัยที่รวบรวมเพื่อที่จะบูชาธรรมกับท่านอาจารย์เพื่อได้นำปัจจัยบูชาธรรมส่วนนี้และแต่อัทยาสัสของท่านอาจารย์ หรือจะเข้าในการเผยแผ่ธรรมะของท่านอาจารย์สืบไปเป็นจนํานวนเงิน 9,400 บาทและในน้ําใจของอุบาสกอุบาสิกาธรรมสถานบ้านโพทองขาราชการส่วนหนึ่งของโรงเรียนการบินอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนหนึ่งของโรงเรียนพนมตวนพิทยาคมและส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านตลาดเขตและคณะนิยติธรรมของธรรมสถานบ้านโพทอง ขอขอบคุณท่านอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้เขาออย่าเนเรียนเชิญท่านพลเอกเดกพีชานิยมไทยเป็นผู้แทนของคณะทยกทยีกาธรรมสถานบ้านโพทองมอบแจกันดอกไม้เป็นการขอบคุณแทนคณะสารสิทธิของท่านอาจารย์อุไทครับและคาดว่าในโอกาสต่อไปอีกคงได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ได้มา ให้แสงสว่างกับธรรมสถานบ้านพ่อตองอีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกหลายๆครั้งในโอกาสต่อไปอย่าลืมเรื่องนักบินสละเครื่องนะครับนี่นักบินตัวจริงครับวางได้ครับวางได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจ้าว่า อขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับ